ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทน่นั้นแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอปัญญาบา ร, รมีมาตามลำดับก็กำลังประรบเรื่องโยคะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการกระทาการบาเพ็ญคือหมายความมาเพิ่มปูนปัญญาให้บังเกิดขึ้น พระานาทรงจำแนกแสดงทางเกิดของปัญญากลุ่มนี้ไว้หลายๆหลายคำนะครับที่เราศึกษากันโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่สองกลุ่มใหญ่แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ย่อยออกไปอีกเป็นนั้นมากในชุดที่เป็นโยคะปัญญาซึ่งค่อนข้างแพร่หลายเนี่ยคือเริ่มด้วยสุตตะสุตตะมัยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ทางประาทสัมผัส สมัยก่อนมราก็ใช้เครียอเรียนในมุขาปาฐะคามุขนะัคือปากหมายความอาจารย์ก็พูดด้วยปากลูกศิษย์ก็ฟังด้วยหูเนี่ยเป็นตัวการสาคัญแต่ว่านี้่ของควาเป็นจริงเราก็เรียนรู้วโลกด้วยภาษาสัมผัสแล้วก็ส่วนใหญ่เนะี่ยเราเรียนด้วยตาด้วยหูแล้วก็ด้วยใจไอ้จมกูกลิ้นกายนั้นก็คือเรียนนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่ถ้าถึงเรียนแล้วเนี่ยจะลึกซึ้งนะฮะจะหมูกเนี่ยจะลึกซึ้งลิ้นเนี่จะลึกซึ้งกายเนี่ยจะลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะามันกลายเป็นอาชีพได้เช่นอาชีพที่พิสูจน์กลิ่นเช่นสมมติโรงงานผลิตพวกอะไรละพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยพว ก, กวายพวกเหล้าพวกอะไรของฝรั่งเศสอาชีพในการพิสูจน์กลิ่นอย่างเดียวก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ และอีกย่าหนึ่งก็คือใช้การสัมผัสใการสัมผัสจับต้องสิ่งเหล่านั้นโดยเช่นว่าคล้ายๆคนตาบอดเนี่ยมันเป็นาศาสตร์พิเศษให้คนตาบอดเนี่ยคือาจับแล้วเขาสัมผัสแล้วเขาจะรู้แล้วความจำดีมากเป็นคนประเภทที่เรียกว่าความจำน่าทึ่งแล้วก็ลิ้นก็หมายความมาพวกชิมทั้งหลายเนี่นะ พิสูจน์ศึกษาด้วยการชิมจนกลายเปความยิ่งชำนาญเป็นนักชิมที่เรียกว่าลงตัวถ้าเขาเข้าประกันแล้วก็ใช้ได้ก็กลายเป็นอาชีพผลการเรียนรู้ธางประสาทสมมติและ ส, สัมผัสทั้งหมดจะมากลายเป็นอาชีพแต่ระบบการศึกษาโดยพื้นฐานทั่วไปในรอยใช้ตาหูใจใเป็นหลักบาลท่านจะเรียกวสุตตะ แต่คําเหล่านี้ต้องมองในเชิงที่เป็นเนื้อหาสุต่านั่นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสทั้งหมดนั่นแหละคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จําไว้ด้วยใจคือส่งก็ไปสู่ใจนะฮะใจก็ทําหน้าที่จําทีนี้เมื่อจำเอาไว้มันก็เข้าไปสู่ระดับหนึ่งเขาเรียกว่าจินตามยปัญญา คือบางทีมันมีอยู่สองระดับนะการเรียงตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตเอาไว้ว่าเราเรียงโดยพื้นฐานโดยทั่วไปแต่ในพระบาลีมันมีทั้งสองลักษณะคือเริ่มที่คิดก่อนหรือว่าเริ่มที่ที่ฟังก่อนนะบางครั้งก็เรียกว่าจินตามายปัญญาก่อนคือหมายความว่าเรื่องเหล่านั้นแหละท่านก็จําเอาไว้หรือพอเห็นเข้าท่านก็วิเคราะห์ท่านก็ตรวจสอบท่านก็คิดแล้วก็เพิ่มพูดปัญญาขึ้นมาเหมือนกัน แต่ทมอุปกรณ์ในการคิดประมาจากไหนมันก็มาจากประสบการณ์ในอดีตของท่านมันก็อิงอาศัยกันไปอาศัยกันมาแต่ก็สรุปว่าปัญญาประเภทเนี้ยมันสร้างขึ้นมาได้แล้วก็โดยกระบวนการทางจิตอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะในการศึกษาที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วก็เหมือนกับทุกแห่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเหมือนกับทุกแห่งเลยแล้วก็ห้าระดับโดยเฉพาะ ย, ยิ่งคือการเรียนนะฮะประการแรกทรงใช้คํำวสุตะ มความอาการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเพิ่มประสบการณ์ในเรื่องต่างๆขึ้นมาให้มากเปลนกลายเป็นความรอบรู้ระดับที่สองก็คือว่าทะตาคือทรงจําสุตะคือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสต้องจาไว้ได้จาโดยรูปแบบจําโดยเนื้อหาจําได้มากเท่าไหร่ก็ดีนะ แต่ว่าจริงๆแล้วเราจําได้หมดไม่ได้เรามันเรื่องมันเยอะเหลือเกิเพะะนพอันมันถึงจุดหนึ่งคือเขาเรียกว่าวัจจะสาปริจิตตาคือสะสมไวเดวาจาสะสมไวเดวาจาบางเรื่องเนี่ยกเป็นวาจุกตาคือคําตรงนี้จะใช้คำสอคํวาวัจุกตาก็คือคล่องปากหมายความมาเมื่อต้องการจะพูดจะแสดงเนี่ยแสดงออกมาได้ในทันทีทันใดตอนนี้ท่านลองสังเกตเราพุํานานการทั้งหลายเนี่ย เป็นบรรณักกฎหมายมือชั้นนักกฎหมายองๆจริงๆนะถามปับ๊บก็ตอบปุ๊บอ้างมาตราว่าให้ฟังเสร็จเลยแล้วเปิดเนี่ยเรียกว่าหมือนกันทุกตัวไอ้ น, นี่คือเก่งจริงๆฝันถ้ามือกฎหมายอ้างมาตราไม่ได้แล้วก็เตีองน้อยที่จับประเด็นไม่ได้เนี่ยมันก็ไป็นเจนักกฎหมายแล้วนักการศาสนาเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถามปั๊บตอบปุ๊บอ้างที่มาแล้วก็ยกหมายได้ นั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าท่านต้องแม่นเร่อาการแม่นบางอย่างมันต้องท่องเอาเลยตรงนี้บางครั้งท่านเรียกว่าจัดสาปริยิตาคือสะสมไว้ด้วยวาจาก็คือท่องบ่อยบ่อยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันคล่องปากเห็นไหมว่าวิชาทั้งหลายพวกฟิสิกส์พวกเคมี พวกเรขาคณิตพวกจีโกนพวกอ ะ, อ, อะไรต่างๆที่มันเป็นสูตรๆตรัวเนี่ยสูตรทางคณิตศาสตร์เครือคณิตศาสตร์เครือวิทยาศาสตร์ทางหนเยถ้าเราจําสูตรไม่ได้เนี่ยทำได้หรือว่าต้องคีย์ไว้ในคอมพิวเตอร์เราก็กดดูเอาเกิดมายังมองว่าการจัด ก, การศึกษาในบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะฮะท่านเหล่านั้นที่จริงน่าจะจับมานั่งสมาธิจะจักพักแล้มาดูจิตตัวเองนะ่ะ เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเรื่องท่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งแล้วไม่ได้มีการเชยไม่มีการล่าสมัยแต่ประการใดเราไม่สามารถพกพาคอมพิวเตอร์ไปได้หรอกมนุษย์ที่ต้องคิดเลยแล้วถ้าเธอไม่จำํำเธอก็คิดไม่ได้เธอคิดได้เฉพาะหน่วยความจําแต่นั้นเองมนุษย์จะคิดอะไรนอกประสบการณ์ไม่ได้เพราะประสบการณ์เน่ะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องท่องส่วนหนึ่งก็ต้องจำออมไม่ใช่หลักการต้องขันนําคัดอะไรก็ล้วนไป เพราะความคิดอย่างนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยคือไปในะที่บางแห่ง เ, เราตื่นเต้นไปอบรมข้าราชการครูในที่หนึ่งก็ตื่นเต้นนะเพราะอะไรเพราะว่าครูเนี่ยว่ายพระสุดมนพร้อมพร้อ ม, พ ร, อมพร้อมกันเลยแล้วก็ออกเสียงดังพอผมมาก็ว่าพร้อมกันเลยก็ แ, แสดงความชื่นชมเขาว่าเออ มันเรื่องขนาดนี้ทีเพลงนี่ทำไมมันร้องได้อะเรื่องาศาสนาพิธีเล็กๆน้อยๆ น, นี่ร้องกันไม่ได้ว่ากันไม่ได้จนในที่สุดก็ต้องลอกเรียนราชพิธีเคยมีพิธีกรช่วยอาราธนาเสียงให้แล้วตัวเองกปรับในใจนะคล่าๆก็เบื่อหน่ายเหลเือเกินที่จริงโดยปกติแล้วมันเป็นแสดงเจตจำนงของเรานะ หมายความว่าเราก็ต้องว่าเองก็ต้องสวดมนต์เองก็ต้องท่องเองรับศีลก็ออกเสียงดังๆเองแล้วก็เรื่องไม่สลับซับซ้อนอะไรแต่ว่ามันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือจำกันไปก็ได้ใจรัตนาสีนี่ที่ยิงบรรทัดเดียวแล้วก็นิดเดียวด้วยนะฮะมายังพันเตติสเนนะสาหาบรรจาศีลานิยาจามะพอเป็นแปลกาอาศีฐ า, านิยาจามะเสร็จแล้วก็เพิ่มทุติยมปีตติยมปีเข้าไป ก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะพรหมานั้นแน่นอนมีอยู่สี่บรรทัดแต่วิปัติเนี่ยมี6บรรทัดแต่ที่จริงก็คือสองบรรทัดคือข้างบนเนี่ยมันเหมือนกันวิปัติปฏิภาหายะสัพปสัมปัติสิทธิยาข้อที่หนึ่งในสัพปทุกขะข้อที่สองในสัพพายะข้อที่สในสัพโรคะแล้วก็เหมือนกันอวินาศายะปริตังภูธมังกลงังก็เปลี่ยนมาทุกไฟโรคท่านั้นเอง นั่นก็คือการท่องเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปท่องเป็นนักขยานเสมอไปแต่หมายความว่าจับประเด็นแล้วก็มองสังเกตเทียบเคียงแล้วก็จำได้จำได้มาถึงคราวจะใช้มันก็ใช้ได้จะดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเป็นพิธีประกอบพิธีที่พุทธมณฑลวิสาขะามาฆ า, า, า, าสานหักสมเด็จพระเทพจะนำสวดชัดจอถ้อยชัดคำเลย ข้าราชการที่ตามเสด็จโอ้ถือหนังสือกันเรียบร้อยเลยแล้วอะไรตรงนั้นน่ที่จริงมันจำสูตรกันมาตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะองค์ใดประสัมพุทธธรรมะคือกุณากรสงใดสาวกศาสดาฟังเมื่อพระองค์ปรมพุทธเนี่ยอาตมาก็จำได้มาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบไม่จนทุกวันนี้ยังจำได้เพราะอะไรเพราะเราท่องเมื่อกเบเพลงชาติเนี่ยรเราท่องสูตรคูเนี่ยรเราท่อง แล้วท่องมาตั้งแต่เป็นเด็กๆ่มันไม่จะท่องทุกวันเนีนะฮะเราก็จําได้มาตลอดเพราะในเนี่ยคือวัจะสาปริจิตตาคือสะสมไว้โดยวาจาสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้แล้วก็ความจําก็หลากหลายออกไปแล้วก็มีข้อสังเกตตรวจสอบพิจารณาเทียบเคียงหรือถ้าเรามีความจําอยู่เนี่ยมันอย่างน้อยก็สะกิดใจเตือนใจนะกระตุ้นให้มองเห็นสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราจํำเราก็นึกออก สิ่งคายครึ่งก็ทำให้เราชะงักแล้วก็ น, นึกออกมันก็เกิดเพิ่มความรู้ความเข้าใจขึ้นประการต่อไปนั้นเป็นจินตามายะปัญญาดันแหละแต่ว่าท่านเรียกในที่นี้ว่ามนานสานุเป ก, กีตาคือนำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์สาร์ที่สองนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคุ้นกันก็โทรศัพท์มาท่านเจ้าคุณช่วยหน่อยวิทยากรไม่สบา ย, ยาก็บอกก็ได้ก็พูดใส่เทพไปให้นะเขาก็มาเทพไปแล้วมาก็ปรรบเรื่องวันวาเลนไทยก่อนมาคับบูชาว่ามันใกล้กันหรือเกินแต่ละปีเนี่ยมันพิสูจน์อะไรอยู่พอสมควรแล้วก็บรรญานไป แล้วก็มีคนสนใจแล้วก็ลองไปศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของวันมาเลนไทยเนะี่ยว่ามันเป็นมาอย่างไงก็ปรากฏว่าไม่ได้ตรงกับเรื่องที่เรานํามาทําเลยนั่นก็คือนํามามวณษาโอเบลกีตาคือตรวจสอบดูซิศึกษาดูซิว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไงไปทบทวนจากเอกสารของบาทหลวงนะ ที่สอนศาสนาคริสต์เองเลยแต่ว่าพวกอะไรละ่ะพวกวโปรเตสแตนน่นนะนั้นก็คือคืออะไรคือแสดงว่าเราไม่ได้มนัสสารนุเบกิตาคือไม่ได้เพ่งพินิจิจารณ์ด้วยใจไม่ได้คิดโดยมีเหตุมีผลอะไรแล้วที่มันตะเลิดที่เราเป็นห่วงเนี่ยคือมันก้าวหน้าจนถึงกระแจกทุองอยางานามัยกันกเป็นประเจิดประเจินนะ แล้วก็แจกกันในที่ต่างๆรสฐานที่ราชการก็แจกซึ่งมันเกินเหตุเกินผลไปหน่อยเราก็เตือนให้คิดว่าไม่ใช่เรื่องนัดมาสับซ้อนในทางเพศการแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมต่างแดนแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวพุทธแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมไทยทีนี้สมมติว่าจะเอามาเนี่ยต้องเข้าใจเขาต้องชัดเจนนะว่าความเป็นมาเนี่ยเขาเป็นยังไง มันไม่ใช่รับโดยไม่ได้ขาไไดขาไม่ได้คิดพินิจพิจารณาเพราะฉะนัน้นมณสาโนเปกิตาก็คือที่เราใช้ทุกเรื่องอะนะเรื่องพินิจพิจารณาเช่นเรื่การเลือกตั้งสวที่ผ่านมาหรือจะเลือกตั้งสสในปีต่อไปมันก็คือการพินิจพิจารณาเห็นไหมคือมณสาโนเปกิตาคือเพ่งพินิจพิจารณ์ด้วยใจเราจะเอาคนมันทําอะไร เราเลือกตั้งไปใค ร, เ, รเลือกตั้งไปเพื่ออะไรภารกิจเขาเป็นยังไงแล้วก็ใครเหมาะสมที่อยู่ในจุดนี้ไม่ใช่ใครทุกคนไม่เหมาะสมนะฮะแต่เราก็ดูคนที่เหมาะสมกว่าเห็นองมากก็คือการเพ่งพีนิพพยังด้วยใจก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่าคนไทยนี่ก็เก่งข่าวคราวเรื่องราวาต่างๆติดตามประวัติอะไรของคนมาได้ดีนะ ซึ่งก็ทําให้มันมีความหวังอะไรรออยู่ข้างหน้าพอเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ถ้าประชาชนเรามีความฉลาดแล้วไม่ละโมบไปกินเงินกินทองก็เล็ ก, ลกๆน้อยๆนี่ข่าวคราวเนี่ยมันก็ครูเหมือนกันนะนาบางทีก็ยี่สบาท50้าสิบบาทสี่สิบาทแ ต, แต่อะไรเนี่ยไม่รู้จะไปทําอะไระนะทุก ว, วันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึงกินได้หรือเปล่าก็เป็นยี่สิบาทนี่ก็ เป็นมรสาโนเปกขิตาคือเพ่งปีนี้พิจารณาด้วยใจนะคือถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันมันจะมีเหตุผลในตัวของมันปัญญานั้นมันจะเกิดขึ้นคุ้มครองตัวเราเองได้ว่าถามว่าเขาเงินมาให้เราทําไหมร้อยวันพันปีเนี่ยเขาเคยเอามาให้ไหมแล้วเขาเป็นใครก็รู้จักเราหรือเปล่าที่เอามาให้เนี่ยเราจะคิดได้นะจะคิดได้จะมีเหตุมีผลในการคิดได้ เราเคยเตือนคนที่ค้นคุ น, นะฮะพูดที่เล่นที่จริงบอกว่าคิดให้ดีนะการขายสิทธิ์เนี่ยโดยราคาเงินเอาให้จันให้เป็นพันเลยนะมันถูกกระหมูตัวงนะอย่าลืมนะศักดิก์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่ถูกขายไปขายหน้าที่ตัวเองไปนะด้วยราคาเท่าถูกกระหมูตัวหนึ่งอยูประเมินตัวเองต่ตําเกินไปอัเ น, นี้คือเรา สมุนจีนเนี่ยเขาบอกว่าคนเราดูหมิ่นตนเองก่อนแล้วจึงถูกคนอื่นก็ดูหมิ่นก็เพราะเป็นอย่างเนี้เพราะหลักการตรงนี้มันเป็นหลักการที่คืบเนื่องกันมาในกระบวนการเรียนการศึกษาคือมีประสบการณ์มากมีความจําประสบการณ์ไว้ได้มากแล้วก็แม่นในประสบการณ์ตรงนั้นก็คือท่องที่ว่าเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยพูดกันชดัชดช ไม่ท่องไม่เห็นด้วยการศาึกษาอย่างนั้นไม่ถูกต้องสมองเด็กช้ำไอคิดใเจเชยอย่างเงี้ยเขาคิดมาตั้งนานแล้วนะไอคิดว่าสมองเด็กจะช้ำในสูญเสียเวลาเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าสัตรวะคีก็มีทลายเจ็ดพวกนะเจ็ดเจ็ดคนอ่าสิบเจ็ดคนเป็นลูกเศรษฐีผิวบางละเอียดอ่อน พ่อแม่ไม่ยอมให้ศึกษาเราเรียนอะไรกลัวเขียนก็ไม่ได้กลัวมือจะช้ำท่องก็ไม่ได้กลัวลูกจะเนืยนะจะอ่อนล้าทรัพย์สมบัติตัวเองก็สะสมไม่แล้วก็ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปเดือดร้อนพ่อแม่เก็บรวบรวมทรัพย์สินเงินทองไปแล้วก็ลูกเที่ยวตามสบายเด็กมันก็เพลิดผลุท้ายพอพ่อแม่นั่นเข้ามาก็ออกบวชนะเกาะ ก, กลุ่มกันออกบวชลูกมันป่วนาศาสนาใช่ไหมจะเล่นนะพวกนี้ เพราะว่าเด็กไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มาคือกว่าจะจัดการแกแกลงตัวได้เนี่ยชาปักคีกับสัตร์ตะวักขีนี่ดังนะสองกลุ่มก็ดังแล้วก็แสดงให้เห็นว่าผลจากความคิดในลักษณะ น, นี้มันไม่ใช่ความคิดใหม่หรอกที่ครูบาอาจารย์ก็คิดกันเนี่ยเขาคิดกันมานานแล้วเราผููกรนมานานแล้วเป็นขยะความคิดที่มันมีมาตั้งแต่โบราณเนพระพุทธเจ้าจึงสอน ให้เราแม่นแล้วจนบางเรื่องในท่องนะที่รับสั่งวาสชามาลามันตามตุญ ม, มีการไม่ท่องบนเป็นบุญทินบ้านเรือนมีคันไม่หมั่นขยนันเป็นบุญทินอะไรแต่อะไรเนี่ยคือเรื่องนี้ต้องทําบ่อยๆทําซ้ำๆซากๆทําแล้วทําอีกมันจะเกิดเป็นความชํานิชํานาญในแต่และเรื่องด่านั้นคนคิดแล้วคิดอีคิดซับคิดซากแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในตรงนั้น นั่นเป็นงานของการวิเคราะห์วิจัยเราอาจจะเรียกวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สังเคราะห์อะไรก็แล้วแตแ่นั่นก็คือหมายความมาใช้ปัญญาที่มันหนุนเรื่องมามีประสบการณ์มีการจํามีความแม่นในข้อมูลแล้วก็นํามาสู่ภาคของสนามเป็นการวิเคราะห์วิจัยเป็นการสังเคราะห์เป็นการตรวจสอบเป็นการพินิจพิจารณาก็แล้วแต่จะเรียกนะบาลีตรงนี้เฉพาะตรงนี้ยท่านเรียกว่ามานาสารุเปกิตา มันเป็นพัฒนาการทางปัญญาแล้วพัฒนาขึ้นไปได้คิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบ <c oughs> จนถึงกับเป็นคนเข้าใจคิดคือ เ, เข้าใจมองสิ่งทั้งหลายความคิดชอบก็กลายเป็นสมาสังกปะเห็นไหมสมาสังกปะคือความรับริชอบเป็นปัญญาสิขาแล้วก็สามารถที่จะมองสิ่งทั้งหลายในระยะยาวๆได้ สมมติว่าเราปล่อยกายปล่อยใจเลื่อนไหลไปตามอำนาจของกาลมาคุณทั้งหลายในสนุสนานเพลิดเพลินกันก็ปัญหาสำคัญว่ามันได้อะไรวันก่อนก็ฟังอะไรฝังเขาสัมภาษณ์เรื่องคนที่มีข้าวว่าจะได้ซอสสวอนะฮะแต่ว่าก็มีชื่อเสียงในทางที่ข่าวเล่าลือนะทำนองว่าเป็นนักการพ น, นันเขาก็อธิบายรายละเอียดผลของเขา แต่ถ้าเรามองในเหตุของธรรมะเนี่ยเราถามว่าพระพุทธศาสนาแสดงว่ายังไงเรื่องไอเรื่องอบายามุกเนี่ยพระเจ้อาอธิบายในรูปของอบายามุก ค, คือทางของความเสื่อมแต่ว่าในแวดวงตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ได้นะเพราะในสมัยพุทธกาล ม, มันเล่นอย่าถึงถึงพนันเมืองกันก็มี เนะช่นราฐเหตุปะถมเหตุของอะไรราชวงศ์มาพารตยุทธนะฮะสงคร า, ามมาพารตยุทธมันเกิดขึ้นมาจากการผนันเพราะในสิ่งเหล่านี้ก็สอนเอาไว้แต่มันเป็นอบายมุกทีนี้บายมุกแบบนี้มันมันพูดยากนะเพราะว่ากฎหมายสามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ถามมาเล่นเล่นสลากกินแบ่งเป็นเพียการผันนันไหม เล่นหวยเป็นการปนันไม้เล่นม้าเป็นการปนันไม้คาสิโนทั้งหลายนี่เป็นการปนันไม้ก็เป็นหนึ่งนั้นนะมันมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันไปตั้งกฎขึ้นมาก็ทําให้เอาศีลธรรมไปจับแล้วก็จะยุ่งเหมือนกันเพราะถ้าเราบอกว่าตรงเนี้ยไม่ผิดศีลธรรมมันก็ไม่ได้เพราะว่าศีลมันก็ผิดแน่เลยธรามะมันก็ผิดแน่เลยแต่ว่าที่กฎหมายรองรับมาทําว่าผิดศีลธรรมหรือเปล่ามันก็ผิด แล้นั่นคือกฎหมายก็ไปรอมรับเข้าเหมือนก็มวยต่อยกันเนี่ยไหมมวยต่อยกันเมื่อคนต่อยกันเอาคนต่อยกันเนี่ยคนต่อยถ้าต่อยก็ตายก็ถือว่าฆ่าคนตายะหนี่ทําให้คนตายโดยประมาทเอาเพรต่อยกันตายบนเวทีไม่ผิดกฎหมายเอาอะไรกันอันนี้คือคือคือพอกฎหมายเข้ามาเยมันจะมีปัญหาที่เขาตกเถียงได้ตลอดเขาตกเถียงได้ตลอดเพราะงั้นอะไรล่ะคนดื่มเหล้าก็าก็อธิบายได้คนอะายแล้วก็ยุ่งกันหมดเลย ดังนั้นเกณฑ์อะไรเนี่ยมันต้องเป็นเกณฑ์ที่สากลเราพูดกันประเด็นไหนนะเราพูดกันในประเด็นตรงไหนมันก็เอาประเด็นตรงนั้นกันแต่ถามว่าในแง่ของศีลธรรมเนี่ยถูกต้องทำศีลธรรมไหมก็ใช่ก็ไม่ถูกต้องมันเป็นอบัยมุขแต่พอเทียบตรงอื่นละ่ะปัญหาศีลธรรมยังเป็นปัญหาตลอดแต่ว่ากฎหมายเกิดรองรับขึ้นมานั่นคือสังคมเพราะฉะถ้าเราเอาระดับสังคมมา มาเป็นเกณฑ์และยุ่งทันทีเลยนะเพราะมันจะมีสิ่งขัดแย้งกันเข้ามาเราจะไม่มีเกณฑ์แต่ถ้าระดับธรรมะแล้วก็เป็นเกณฑ์ถ้าคุณจะผิดเกณฑ์ก็เรื่องของคุณนะคุณก็ต้องรับไปกรรมของคุณเองและเป็นความหรือไปรับผิดชอบเฉพาะตั ว, ตวของคนคนนั้นถึงกับมายความถ้ามีปัญหาเขาก็มีปัญหาท่านพระเจ้าบอกไว้ในฐานะเป็นใบยมุขแต่ปัญหาว่าคนเลกิกใบยมุขได้ปเปล่าหรือเนี้ยทุกทั้งหมดนฮะ นักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการประนันครบคนทั่วเป็นมิตรเกียรติคันทําการงานเที่ยวกลางคืนเกินการเล่นต่างๆถามว่ามีหรือเปล่าในโลกนี้นมันก็มีฮนะแล้วก็มันก็เป็นกรรมของคุณคุณก็ต้องรับผิดชอบในกรรมกือการกระทําของคุณเองนะแต่ถ้าเราไปเอามาศอะไรไปวัดอะไรไปจับเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันจะมีปัญหาในจุดอื่นๆคือสังคมเนี่ยโอกเคอะไรไม่ได้โราคนเป็นเกณฑ์ไม่ได้แล้วก็ ไม่ควรจะกาหนดว่าคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ดีหรือคนเป็นอย่างนั้นดีแต่ว่าคนอย่านั้นก็เดินในอบยมุกไม่ใช่ว่าพอคนดื่มเหล้าแลวเป็นคนเลวที่คบไม่ได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ยนะเพียงแต่ท่านแสดงไว้ในฐานะเป็นอบยมุกบ้างในฐานะเป็นศีลด่างแต่ไม่ได้หมายความว่าคบไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเรานั้นอะไรล่ะคือบางทีเนี่ยมันต้องลืมจุดบกพร่องของคนอื่น แล้วก็เอาประสานสร้างความรู้สึกที่ดีกันในจุดในจุดอื่นที่มันจะเป็นประโยชน์เพื่อเกิด ก, การอยู่ร่วมกันในทางที่ดีขึ้นคือในแง่สังคมแต่ถ้าในแง่ศีลธรรมแล้วก็ผิดทางนั้นงนสังคมเลยบางเรื่องมันก็ต้องมีการประนีประนอมประสานประโยชน์กันพอสมควรไม่ใช่ว่าใช้หลักเกณฑ์ของเราเป็นอย่างเดียวนะฮะ ใจว่าเกณฑ์ของศีลธรรมเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายมันไม่ค่อยมาตรฐานหรอกลัเกณฑ์สังคมยิ่งยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะงั้นเมื่อเราจะให้เอาทุกหลักเกณฑ์เนี่ยมันเลยยุ่งมาทุกหลักเกณฑ์ก็เลยยุ่งว่าหลักเกณฑ์มันขบกันเองนะในตัวหลักเกณฑ์นี่เก็จะขบกันอยู่เองแล้วคัดค้านกันได้ในตัวด้วยทั้งฟังทั้งหลได้รมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังทางลายโดยทั่วกันสวัสดี